พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่ยี่สิบเจ็ดโดยหลวงพ่ออินท า, ายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมตัวว่าเราจะต้องตายเมื่อหนึ่งฉั น, นีนห้องเห็นไหมกําลังฮื อ, ฮ อ, ฮอนะ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 เบิงดินฝ่าอากาศเมื่อนี้รู้สึกว่ามีหมอกควันพิษปกติถ้าเป็นลักษณะแจงสีคนบัวลานเพื่อนว่าฝนสีเศ้าเด้มันจะเมิดมันจะเมิดฝนแล้วมันจะเข่านาหนาวแล้วมันมีหมอกควันขึ้นมากอันนี้ก็คนทำนายบัวหลุมโบร้านแต่ว่าตามไม่จริงก็นั่นแหละ บังไปเรื่อยๆคือกนั่นนะหอดมือมันจมัดเองือว่านมือกรมือกรนะั่นโยมท่องฤทธิ์พวกเฮ่าคงจูงจกักมั่งหลวงตาท่องฤทธิ์เก่าอ่ะที่เคยบวชอยู่วัดเฮ่าเป็นสาธรารณาสุขอำเภอเมืองแล้วก็เป็นสาธรารณาสุขหลายอำเภอเนีังหวัดอุดร ผลในสุขเลยเป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองพ่อกเกษียณแล้วเพิ่นก็เลยมาบวชวัดเท่ามาเพิ่นกับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรอยู่แต่ต่อมาโลกเล่าเข่าวเพิ่นก็เลยอยากจะซึกงเข้าขบาวาเป็นความประสงค์ของเพิ่นเพิ่นก็เลยล่าสิขาไปล่าสิขาไปก็ได้ไปป่วยกระสาะกระแสะไปเลย เกี่ยวกับดูกบังเกี่ยวกับล่บบลำใสต้มลูกหมากลักษณะยักัน่ะโพลที่โชกุนมามรณะเมื่อก่อนน่ะตายเมื่อก่อนน่ะอายุคงจะประมาณสักเจ็ดสิบตน ต, น, ตนมักหลวงพอวานะคงจะแก่หลวงพอบงว่าเท่าไหร่แล้วเมื่อวานหลวงพอก็ได้ให้พระในวัดของเฮ้าได้เอา พวกผ่าไตรพวกยังไปร่วมสมทบงานสพบของเพินเหมือว่านตอนเย็นก็มีการสวดอภิธรรมเมือว่านเนี่ยเมือก้อนแล้วก็เมือว่านเนี่ยแล้วก็จะระชุ่มเพิ่งแต่จะขอพระราชท่านเพิ่งบูพนเป็นกราชการบำนาญวันที่ยี่สิบหก กนในมด่ลงพอไปเป็นองค์แสดงธรรมที่วัดปันจิกแต่ลงพอก็ยัง่งเพราะท่านได้รับรอกเพราะว่าภารากิจของลุงพอเขาไม่มากแต่ยังยังใดก็รับไหวพิจารณาไหวคันมันวางก็คงจะได้ไปให้เพิินเพราะว่าเพินก็มาอยู่วัดเท่าเป็นลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาเคยมาอยู่วัดเท่า พระดังหลวงพ่อจึงได้ให้พระไปร่วมว่านนะเอาพวกผ่าตรายพวกนั้นนะไปร่วมสมทบนี่แหละพวกเฮาท่านทางลายตีบอกให้ฟังเนะนี่ยตีน่งน้ำกันมัดทุกคเ น, นะน่ยักษสีไผ่สบไปก่อนไผ่กระบงมรณะไพ่คำเนี่ยมรณะเมภาวิชิตนะให้ละเลิกไว้อยู่เสมอ ขันว่าเห้าระลึกไปอยู่เสมอความคึกความขาน้องความลืมตัวความมักใหญ่ไฟสูงความอวดโอหังว่าโตว น, น, ยยนตวี่เป็นจิเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นผู้มี่ยศถามบรรดาศักจะเป็นบุคคลสำคัญในมูใม้เผื่อนในพักในพวก เรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญให้คนยงยองนับถือเรื่มไซสสรุปแล้วก็คือเป็นความคิดที่ลืมตัวเป็นอย่างมากถ้าจะพูดตามตามแน่วท่าค่ำาสอนแต่ว่าถึงอย่างไนก็ตามสิ่งเรานั่นเขาก็ต้องได้คิดไปอีกคือกันแบรแมนจิตคือคิด ถ, ถ, ถึงความตายเลยกั เฮดโจโลอยู hey, He os, ่มดความคิดแบบค้นมดความคิดไรเตติไรปัญญาเป็นคนมดผลทางกบเมนจังสันแต่ว่าการเลืมตนลืมตนลื่มตัวมากจนเกินไปจนบ่คิดว่าจะของสี่ตายอันนั้นก็น่าคิดคือกันแต่บัดนี้พวกเข้า สิว่างตัวแบบไหนมันจึงจักถูกต้องเหมาะสมนนในการเป็นอยู่ของเฮ้าอันนี้เราต้องใส่ลักถ้ำข้ำสอนของพระพุทธเจ้าใส่ถ้ำข้ำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวแนะนำให้พวกเฮ้าสำนึกไปอยู่เสมอว่าอย่าลืมนะให้คิดไปอยู่เสมอชีวิตเป็นของบ่อเทียงแท้แน่นอน เหมือนกับนําข่างใบบัวพร้อมที่จะกิ่งตกลงเมื่อได้ก็ไดเมือ่อร่ำรวโชคมากหรือว่ามีการกระเพิ่มของนําหรือมีสัตว์สาลายสิงไ ม, ชม่ชุนมากชนมาต้องพร้อมที่จะนำพร้อมที่จะลดออกจากใบบัวได้ชีวิตของพวกเขาก็คือกันคือกันกับนานําข้างใบบัวอย่าต่างอยู่ในความประมาท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 ต่อคู่บาอาจารย์ต่อสำนักพวกเข้าหัว่วนจะคิดให้ดีที่สุดคือกันพอต่อไปผ้ายภาคหนาถ้าว่ามีอายุต่อไปพวกเข้าทั้งหลายี่อยู่ด้วยกันก็จะได้พึ่งผ้าอาศัยกันจังสี่แหละจังหลงโนมท้องฤทธิ์จังสีแงงงงส่แหละมาอยู่กับพวกเข้าเข้ากัาให้ความเข้ารบนับถือเหลื่อมใสในการมาอยู่ด้วยกันเมื่อจากไปแล้วเ้าก่อนลำเลือกถึง ไปช่วยการช่วยงานช่วยความคิดเอดจังใดเพราะการยูโด้ยกันนี่แหละเมื่ อ, อยูโดยกันก่อห้มีความเอือเฟื่อเอืออารีตอกันเมื่อจากกันจะเป็นจากเป็นหรือจากตายพวกเข้าก็มีความเอือเฟื่อเอืออารีตอกันเข้าสี่ซ้อยเหลือกันจังใดในขณะที่ออกแย ก, กย้ายจากกันไปหรือว่าถึงข้าวขับขันจาเป็น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 วาง ม, มูงวางเพื่อนขวางคูบาอาจารย์ให้เป็นผู้มิเหตุผลการจะพูดอย่งก็ตามแตา ม, มันจะกระทบกระแทกกระเทือ น, นมู่พวกเพื่อนคูบาอาจารย์ผู้อยู่ไกลเข้าก็ต่อระว่างคําพูดคําจาอย่าไปแสดงอากัปกิริยาที่มั่นว่าเป็นศีลเป็นธรรมแต่ว่าถึงจะแสดงอากัปกิริยาออกไป แต่เบิงแหละมันเป็นศีลเป็นท่ำอา่าเพราะค้อผูนั้นค้กกุมนั้นบุกค้คนค้นนั้นท้ำตนบอดีอพวกเข้าก็ต้องช่วยกันประนามว่าการกระทำยังสี่มันบ่ถูกต้องในเสียหายสีพูดแต่คำว่าจา่าพี่แต่คำหวานอย่างเดียวเป็นว่าจานดอกไม้อย่างเดียวก็คงเป็นไปถึงสันบอดดขึ้นกันแต่ว่า ควรจะแข็งแบบไรควรจะอ่อนแบบไรควรจะใส่วาจาแบบไรมันจึงจะถูกต้องเหมาะสมแต่ว่าก่อนที่ใส่ให้ใส่ควนไข่ควรซะก่อนกันกล่องซะก่อนอันนั้นคือความถูกต้องว่านิซัมมะกระนังเสยโยใขคค่ควรซะก่อนค่อยพูดค่อยทำจึงเกิดประโยชน์ แต่ว่าพวกเฮาบ่ได้ใช้ความคิดหลวมปากกระพูดเลยการกระทําของเฮาคือกันโโล่พลายจะทําเห็ดอยงก็เห็ดเหมือนกับคนไรจติติไรปัญญาเป็นคนประสาทอย่างผูกง่ายๆาาท่านเล่าสั้นแต่ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเฮาคือกันเพราะนั้นท้าวว่าพวกเฮาลําลึกไว้อยู่เสม อ, อจังสี่แล้วก็ลําลึกเสมอถึงมลนาัย ที่จะตามมาถึงพวกเข้าบ่มอมือไดก็บมือหนึ่งวันไหนกับวันนึ่งละ่ะเวลาไหเวลานึงต่อไปพ่ายภาคนาเนี่เขาควรจะเตรียมพร้อมจังไหนอันนั้นคือนาทีของแต่ละคนในบ้านเนี่ยแต่ทีแรกนะมองกันเจ้ากอนอยูด้วยกันเจ้ากอนอันนั้นคือการยูด้วยกันการว่างแผนในการยูด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีที่ผ่านมาแต่วันนมัจนเขามหา ตัวของขาพระเจ้าเองระบาดขาพระเจ้าจะทำตนจังใดในเรื่องมรณะไพ่จะมา ถ, ถึงไพ่ผักนาจะว่างตัวแบบใดที่ทำตนยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นถ้ำจึงจะเก็บหอมร่มริบซัย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นใส่ถุงใส่ยามใส่กระเป๋าของเท่าที่จะเดินทางต่อไปไพ่ผักนาหรือเท่าจะมีแต เ อ, อขี่มูล่าขี่ม้าแห่งใสกระเป๋าไปจังสันบ่ เ, เพราะเฮ้ามาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคัมภสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังโอวาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเทพทั้งหนงังสือเ อ, อเพิ่นก็นแนะนําสั่งสอนแล้วเฮ้าจิประปุงกายว่าจ่าใจของเฮ้าจังไดเฮ้าจีบแสวงหาทรัพย์เพชรนิ่งจินดาที่เพิ่นบอกกล่าวมาหน่อย เพชรจังสีนะ่น้าเพชรนิ่งจินดาจังสีนะ่น้าสอกของที่มีคุณค่าจังสีหนะของที่ไร่คุณค่าจังสีหนะ้เพิ่นบอกแล้วห่อจิตยึดจังไรสำหรับตัวของเฮาเองคานมะพวกเฮาได้ใส่สติใส่ปัญญาการกรองก็พยายามยึดแต่สิ่งที่ดีเรื่องท่านบางังเรื่องศีลบงังเรื่องภาวนาบางังเรื่องภาวนาเนี่ยสำคัญยึดภาวนาให้มาก พอมีโอกาสว่างๆก็นั่งภาวนาเดินโยกมมกำหนดจิตใจของเจ้าของอย่าไปแซ่ซ้ายออกไปข้างนอกอย่าไปทรงใจออกไปข้างนอกผู้นั่นบอดีผู้นี่บอดีอีนั่นอีนั่นลูกสะพายลูกเคยพระองนนค์าา น, งนั่นครูบาอาจารย์องค์นี้มูองค์นั่นเอเพื่อนองค์นี้อยาดโนมผู้นั่นผู้นี่มีแต่ทรงออกไปนอกบ่เบิ่งเจ้าของอันนั้นบ่ถูกนะ ของเบืองเจ้าของเฮ้าเดี๋ยวนี้เฮ้ามีเอียงมีสติเราบอกมีสติสัมปชัญญะแลยยั่งเฮ้าเห็นความเกิดความเสื่อมของโลกแล้วยั่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแลยยั่งล้วอนาคตของเฮ้าที่จะไปจังไรแต่ว่าเฮ้าตายในขณะนี้เนี่ยปุ๊บปั๊บตายเลยเฮ้าจะไปใส่เดี๋ยวนี้เฮ้าติดคิดไปบอกสิงมูนีให้เฮ้าเตรียมพร้อมอ่า แต่พอถึงกับเครียดนะพอถึงกับเครียดพอถึงกับโมโหตัวโตให้เห็นตามความเป็นจริงมันจะต้องเป็นจริงสัตวแมนบลนะ์เฮ้าเกิดไมโลกมันจะต้องเป็นจริงแบบที่เพิร์ลมอลนี่แมนบะล์เฮ้ากัปฏิเสธบุหรี่กันไม่ต้องเป็นจริงพราะเอาความจริงมาพูดมาเว้ากันนะบัณใิตเฮ้าสิเอาจังไนเงีตัวของเฮ้าเนี่ยเฮ้าจะร่วมร่วมเพศนิ่งจินดาใส่จิตใส่ใจเฮ้าจังไนที่เฮ้าจะไปสู่ปาระลอะก คันวาพวกเข้าได้เตรียมพร้อมนะชําระจิตชํราระใจก็คือการเพชรนิ่งจินดาเนะข้ามาในจิตในใจของเข้าจนเป็นพระอริยะบุคคลพระสูดาพระสกทาข้าพระอนาคาพระหัณ์ชํราระจิตใจของเข้าขบริสุทธิ์ลุดพลนะอยู่จังได้กับอยู่เย็นเป็นสุขสีลมสีตายสีตายไฟเผาเป็นยังใจก็ยังมีพลยังมีความสุข ตายจมนาบจมหนามก็มีความสุขตายอยู่ใสก็มีความสุขเพราะเหตุอะไรเพราะร่างกายมันตายเฉยๆใจใจของเขาเนี่มันถูติดอยู่ในร่างกายมันเป็นเอกเทศเป็นอีกส่วนหนึ่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นอนนั่นมัได้เกี่ยวของกันแต่มันเดี๋ยวนี้มันอาศัยมันอาศัยเฮือนพออยู่เในเฮือนเนี่ยเท่าหูวจากอยู่คิดอยู่เวลาไห็ไฟจะต้องไหมนะ้แล้วเฮือนเท่านี่ มันอยู่ในป่าแบบนี้ไฟไหม้แต่แท่แต่มันเคยไหม้มาแล้วไหม้มาเป็นทอดๆแล้วอยู่ไสกับไฟใหม่เพื่อนเนีอยแต่อยู่นี่เหากับจิ๋ไหม้ขึ้นกันเพื่อนของเห่าเห่ากับิ๋ไหม้อีกสักมือหนึ่งแล้วไฟสิไหม้แต่แท่เนี่ยเพราะตัวอย่างมันไหม้มาแล้วนี่็คือเห่าระลึกถึงความตายพอแมีปูยาตายายากพวกสาขนายาดผู้เฒ่าผู้แกผู้หน่อยผู้นุ่งก็ตายมาเป็นใ ห, ให้เห่าเห็นอยู่แล้ว แต่อันนี้คือไฟไหม่หื่นคือความตา ย, ยคือไหม่ร่างกายเฮ้าขอางบ้านพิจารณาเบื้งเฮ้าอีกสักมือหนึ่งเฮ้าก็ต้องใหม่ขึ้กันกับท่านเหล่านั้นแะหะเนี่ยเหล้าเฮาเสียวเก็บเพชรนิ่งกินดาบสีท่อนจนังไดสีท่อนเงินเนี่สิท่อนเพชรที่มีคุ้นขานะเฮ้าสีเก็บไว้ใส่เฮ้าค่นสีหาจังไดเนีแต่เช่นก็ไฟใหม่นั่นแหละบ้านของเฮ้าเน่ะ การทำว่าเฮาเคิดไว้จังสั่นอยู่เสมอเสมอนะ่ความชลาใจและความลืมตัวในการเป็นอยู่เฮาสิตมัืมตัวมากแล่เฮาจะเบังเจ้าของอยู่ตลอดจากนั้นเฮาก็จะอันไหเกิดประโยชน์อันไหที่มีคุณค่าอันไหที่มีประโยชน์ตนและผู้อืน่นเฮาขอพยายามทําชิ่งนั้นให้มากที่สดุดถูกต้องที่สดุดเป็นธถ้ำที่สดุดให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สดุด พรโลกนนมันเป็นยุคต่างชาติแะเกิดมาชาตินาภพนาชาตาก็ต้องมีเห็นคนทะเลาะ ก, กันด่ากันโคดโกงการปนดีกันเกิดชึกสงฆามแต่ละยุคแต่ละสมัยอันนี้เฮาทุกนี่เฮาสมัยนีย่ก็นับประโชคดีมากถึงจังไรก็ตาเหมือยังม่มมียั ง, มยงมไม่เกิดชึกสงฆามในยุคของพวกเฮาแต่มืออื่นเหมือนเฮือไปบ่แนแอเกิดอย่างจะเกิดว่ามีโปรใดสีทําน้าใดแต่ที่ผ่านผ่านมานับ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 ไหวยุ่ในใจช่งซีตลอดเสมอไปนะความเลื่มตัวกับโบมี่เลเฮาจะประกอบแต่คุณงามความดีไปเรื่อยๆอีกสักมือหนึ่ง น, นนะน่ะเฮาก็จะภาคภูมิใจเงอเฮาไฟไหมบานปุ๊บนะเลยเฮาก็เตรียมพร้อมแลวเด้เพ็ดอยู่ใสอันไหนยูใสเท่าก็จับง่ายัดใสกระเป๋ากอาหนีออกจากบ้านหลังหนีเลยล่ะไปเลย พอหันหลังเบิ่งอีกตัางหากพอเหตดเพราะเท่าเบิ่งเลยเนทะ่าลูกเลยนะบ้านแล้เนี่ยต้องถูกไฟไหมบ้านโยเยลังเนี่ยพอใส่ไปใส่ไปกันนั่นนะอ่ะผมงอกฟันลุดคือการกับลอกับเกวียนนะกับเงื่อนมุ่งย า, นะาทั้งไม่ค้ำไม่ไม่ค้ำไมแนะ่ พอมันเิยโยกเด้บ้านทั้งไม่คำทั้งเสือกมัดทั้งจองทั้งถึงไหวเพื่อให้มันอยู่เป็นยังสันเพราะล่างกายของเขาเนี่มันแมนถังสันเด้ทั้งยาไหวมันรุดลงไปกับหยัดเขาแซมไหวใสหูเสริมไหวใสแว่นตากันไหวนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือ เอาไม้ไผ่ผูกกนาบคาบค้ำไม้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเป็นสอนเมื่อพระองค์ป่วยที่จะเข้าสู่ปรินีพานภพสงฆ์ทั้งหลายกับกราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเป็นกระเทศคํานี้ขึ้นมากร่างกายเหมือนกับลอกกับเกวียนเหมืกูเหมือนในลอกเกวียนมเมเพนไ ม, มีตลกดอกเกวียนสมัยก่อน ตีนมันจะลุดเขาก็ต้องหาไ ม, มา้เอาหวายมาขัดห ว, วายหวายมันรุดมันรุดออกจากกันแล้วเอาไม้ไผ่ผูกกระนาบคาบค่ำไม้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่อันนี้คือกันนะ่ะร่างกายของเฮ้ากระดิง่งนทะ่านหะลวงตาท่องริดโยมท่องริดนะี่ยเพิ่นตายให้เฮ้าเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วพอเมื่อที่ตายแหละซื้อไปแต่โมแมนตได้ตายแล้วก็ต้องมาคิดงบองรจุของอีกเฮ้า มีสมบัติติดกระเป๋าพ่อเลยยัง่งสมบัติที่จะติดตัวเข้าไปประโลกไพ่ห่างนานเลเป็นทีอุ่นใจเละยัง่งเป็นทีสบายใจเละยัง่งสิ่งเราเนี่คันพัวเขาห้องพอเตือนกันบบอกกันบอกกล่าวกันไปจะมาบอกมากเกาแต่บางคนคันผูวได้ห่างเหินจากทำพ่อได้เงียบคำนี่ขึ้นมากขึ้คายๆเว่า เอาความตายหรือเอาความทุกข์มาบอกมาคูกันให้เศร้า อ, อกเศร้าใจในการในยินงในฟังนะ่ยอันนนะั้นโมแมนตเนี่ยอันนั้นจะไปคืดจังสันถ้าคืดจังสันแปลคืดแบบงงเงาเตาตุต่มคูคืคดบบบบเด้คือ ด, ด้วยสติด้วยปัญญาตามลักธรรมคัมสอนของปพุตตะเจ้าตามลักธิธรรมคัมสอนของปพุทตะเจ้าเพูนว่ามรณงเมภวิสติให้ระลึกถึงความตาย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 พอ ใ, ใจใจพอใจคืพดพ่อในบ้านหลังนี้ก็ต๊บมัแล้วรพอ่อคือจักเถื่อว่าเจ้าของที่ต์โบ่คือจักเถื่อว่าเจ้าของสิแปรปวนพัดภาคจากหลงจากบ้านหลังนี้มีแต่สนุกสนานเราได้สีมั่วเมากินเหล้าเมายาสมมาเลเท่เมาเล่นหัวกันพอ่อเคิดว่าเจ้าของสิหนีจากบ้านหลังนี้พ่อไฟใหม่บ้านหลังนี้เท่านั้นมีปัญหา ประสบวัตเหตุน้ำท่วมไฟไหม่ไม่ฮักทับบ้านหลังนี้เท่านั้นแหละบ้านในเจ้าของเลยกระโดดหนีออกจากบ้านอามีดจะผาหล่นจอนเผื่อๆมีตั้งแต่ากางเก่งเท่านั้นเสือกรลืมออกไปอีกต่างหากอาโดดหนีออกจากบ้าน่ะที่ไปจังไหร่ละบาทเงินค่ำทรัพสมบัติกบะโจนเตียงผอมพอราไ่ได้คิดไว ว่าไม่จะเป็นเชิงสี่ออกจากบ้านแล้วนี้ก็ไปนั่นนีน่เฮ็ดยังไงมันทุกมันจนไปหาเกิดเป็นชัดทีละชานล่ะบ้านเป็นหมูเป็นไก่เป็นส่างหมากงอกควายเป็นใดทั้งมดัดพนว่าบิน ญ, ญานที่ออกจากล่างไปบุกมีสมบัติพนั้นพวกเฮ้านีมาเกิดพบพบพุทธศาสนาพบถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้าแล้ยอย่าอย่าไปประมาท ถ, ถึงขนาดนั้นนะ ให้คิดเอาไว้ที่ปูดทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อพูดเนยให้พวกเข้าคิดไกลกันกอ่องไตรตองและให้ปฏิบัติปฏิบัติคื้อย่างให้นางภาวนาเมื่อทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วนะพวกเข้าจะหูได้แล้วเออร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันเป็นคนละส่วนกันหลวงปถัมปั้าประถรมหลวงปถัมเนี่ยล่มหายตายจากแก่เถ่าชรา ถึงจุดจบของร่างกายนะคือการกับไฟคือการกับอ้คือกันกับบ้านอ่ที่เข้ามีอยู่นั่นนะเพังทลายในทีทดุดแต่คนอยู่ในบ้านจะต้องออกจากบ้านแต่เขามีสมบัติติดกระเป๋ารือยัง่งนี่ะจุดนี้แหละเขามีสมบัติติดตัวเขาเข้าไปรือยัง่งเที่ยาออกจากบ้านลังเนี้นะ เขาจะไปสร้างบ้านรักไม้อีกนะอ่าอันนี้เป็นนาทีของเขาจะต้องคิดละ่ะการเขาบูคิดนะเนี่ยเขาไปอยู่เฉยๆแบบลืมตัวอย่างที่ว่าเห็นผู้ตันตายแล้วก็แล้วไปจะดุงซิงหนุกหนุกนึงเพราะว่ามันอยู่ไกลเนะข้าไงกานตายอยู่ไกลๆ เ, เลยแล้วไปกันที่เขาผู ก, กเข้าอยู่ต่างอยู่ในความประมาทเฮ้ยเขายัายางคือว่าพอไดสิบวาตายได้บพราจะจได้ไปตบให้โลกอนะจะได้ไปกินเหลรา่ะ จะไปได้สนุกสนานเขาเอาหมอหลองหม้อล่ามางั้นพวกเจ็ดทีพวกทีเขาด้วยตายเขาไม่ได้เกิดจังสันบางคนอันนี้คือแบบลืมตัวอย่างมากๆคือจะผู้อื่นสิตายบกคืว่าเจ้าของสิตายสักหน่อยพ่อเจ้าของสิตายตา ล, ละบาเนี่เจ็บปว่วยเจ้ า, ปาเป็นมะเร็งเนะนื้อสันนกตาลี่ตาเหลือ ก, กระเสือกกระสนวนไปชักเหตุเหตุอย่างไร เขาให้กินขี่มากินขี่มา้าเฮ็ดแดงมืดคู่แนวนะไปเพราะญาติตอ ย, ตยขั้นนะว่าผูที่คิดไว้ก่อนนะ่ยบ่ได้คืดแล้วออถึงยังไงเป็นตายาายังไงกันถึงข้าวเลยติเป็ น, นยังไงเป็นมาเล่งขันในหละัะคันที่ซีแล้วสินเออฉันซีเอาไม่ต้องรักษามลนะ้ไปให้มันไปเลยพอได้คิดไว้พราแหงนัง่นแหะเรื่องความตายเนี่ย เย็ดใจมันจะหมั่นโค้งเนีมันบ่ชสะทกสถานเนี่ยการผู้จะระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอมิทหารหนาคุณง่ามาคุณง่ามความดีเท่านั้นวันเออบุญกุศลของข้าไปเจ้าเนี่ที่เด็กบำเพ็ญมากทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อันธิชาติจนถึงปัจจุบันในชาติทิ่ไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลไห้มาซอยผู้ข่าเนื้อข้าวนี่นะผู้ข่าเจดีย์ใหญจากบ้านทั้งนี้แล้วเพชรนิ่งกินดาอยู่ใสเอาเก็บมานรวบรวมใสกระเป๋า ผู้ขาจะได้หยายโยกหยายจากบ้านหลังนี้แล้วไปเช็ตทีเพราะบันเกาแล้วหยายไปบานไมหรือสิแต่ขาพระเจ้าจะไปไซถึงจุดตินิลพานใดแล้วยังนี่จะไปสวรรค์สั่นไหนจะไปพร้อมจะไปเป็นยังนี่แล้วขัน่ามีเฮาได้คิดไว้นะความพร้อมของเฮากับมีเดคันเอาปฏิคิดไว้ก็จังสันแล้วตกถุกใจยากลำบาก ทุกในจิตในใจเมื่อมรณะนะไพ่มาถึงพนั้นขอวากไว้ครับพวกเฮาทุกข่ทุกคนนะอันนี้ปลาลบเปลืองโยมท่องฤทธิ์ที่เคยมาบวชวัดเท่าหลายปีกับพึ่งจากไปเมื่อว่านมก้อกนนะ่ะแต่พวกเฮากันนะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆนะผมคือ่าพวกเฮาสิต อ, อยู่โซฟาตาปีตายปูเป็นมูแมนได้เอารับพ่ออนุอมูธนาให้พ่อ